จเจริญพร น, นะทางนี้พวกการบินนะบ้าใช่ดูเรารู้เลยนะทางนี้ต้องวิศวะคือแต่ละคณะนะมันจะมีเอกลักษณ์มีเอกลักษณ์ของตัวเองลูกศิษย์หลวงพ่อส่วนมากเรียนส่วนใหญ่จะเรียนทางวิทยาศาสตร์นะแล้วก็เราจะใช้เวลา คุยกันเนี่ยไม่นานมากนะอดทนนิดนึงรับรองว่าธรรมะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ยมันไม่เหมือนที่เราเคยได้ยินมาเป็นส่วนมากหรอกส่วนมากเรายะวาดภาพพระพูดช้าๆต้องเล่านิทานชาดกอะไรอย่างเงี้ยหลวงพ่อไม่ค่อยเล่านิทานเราพูดกันถึงศาสตร์ไหนๆเราก็ เป็นคนระดับปัญญาชนเรียนถึงมหาวิเลย์แล้วคงไม่ต้องมาเล่านิทานหลอกเด็กเล้พุทธศาสนานะจริงๆแล้วเป็นศาสตร์ชนิดหนึ่งนะมันก็เหมือนศาสตร์อื่นๆนั่นแหละอย่างการบินก็เรียนไปนเรื่องบริหารจัดการการบินอะไรอย่างนี้นิเทศก็เรียนไปอย่างนึ่งวิศวะก็มีคําตอบมีเป้าหมายของการเรียนของตัวเอง แพทย์าทศาสตร์ก็มีจุดมุ่งหมายของตัวเองการเรียนพระพุทธศาสนาเนี่ก็มีจุดมุ่งหมายเหมือนกันฉะนั้นไม่ใช่เอเราบเราเป็นชาวพุทธชาวพุทธนั่งฟังเทศหรือว่าอ่านหนังสือธรรมะแต่ไม่รู้ว่าทาไปเพื่ออะไรถ้าอย่างนั้นไร้เดียงสาเกินไปวัตถุประสงค์สูงสุดในการที่เราศึกษาธรรมะนก็คือเราจะต้องสามารถนะต้องสามารถ ถอดถอนเอาความทุกข์ออกจากใจเราให้ได้ต้องถอนความทุกข์ออกจากใจให้ได้เพราะฉะนั้นการจะเข้าใจพระพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องการไปทำทานทาบุญใส่บาตรการรักษาศีลการไปนั่งสมาธิเียสิ่งเหล่านั้นก็เป็นข้อดีทำทานถือศีลอะไรสังคมมันก็เรียบร้อยไปนั่งสมาธิมไม่ไปยุ่งกับใครแต่แค่นั้นมันยังไม่สามารถ ทำลายความทุกข์ในใจได้หลวงพ่ออยากชวนลูกหลานทั้งหลายเนี่ยนะเด็กๆทั้งหลายเนี่ยลองฟังที่หลวงพ่อสอนให้ตั้งใจนิดนึงนะแล้วถ้าเราเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกนะชีวิตเราจะเปลี่ยนในเวลาอันสั้นคนที่เรียนกับหลวงพ่อเนี่ยใช้เวลาเดือนสองเดือนสามเดือนเลยนี่นะเขาพบว่าชีวิตของเขาเปลี่ยนไปแล้วแต่เดิมมีความทุกข์นาน ก็ทุกสั้นลงเคยมีความทุกข์มากก็เหลือทุกข์นิดหน่อยอย่างพวกเรายัางเป็นหนุ่มเป็นสาวนะเราไม่รู้สึกว่าชีวิตมันจะทุกข์สักเท่าไหร่แต่ใครเคยอกหักบ้างมีไหมพวกนักศึกษาวิศวะมีแม้ อ, อกหกักยกมือให้ดูหน่อยิกล้ากลาก้ลาหน่อยเออดีกว่ารักไม่เป็นอกหกักน้มันก็ทุกข์แล้วใช่ไหม คือทุกคนมันแสวงหาความสุขในชีวิตนะแต่ก็ดิ้นรนไปเรื่อยๆตั้งแต่ตอนเราเด็กๆเด็กๆเราก็คิดนะว่าถ้าเราเรียนหนังสือจบนะ้มีงานมีการทำช่วยตัวเองได้เราจะมีความสุขลงเรียนหนังสือจบจริงๆไม่มีความสุขหรอกนะลงไปถามอาจารย์ดูนะ <laughs> ต่อมาเราก็ฝันต่อนะว่าถ้าหาก เราทำงานได้เงินเดือนเยอะๆตำแหน่งใหญ่ๆจะมีความสุขเราไปถามคนที่มีเงินมากๆคนที่ตำแหน่งใหญ่ๆนะอย่างระดับนายกรัฐมนตรีอนะไรมีความสุขไหมนะบางคนก่อนเป็นนายกนะหล่อเฟี้ยวเลยนะเป็นนายกไม่นานหัวงอกแล้วนะบางคนก็ฝ่ฝันว่าถ้ามีครอบครัวที่ดีจะมีความสุขนะมีเมียสวยๆ นะอุตส่าห์ไปตามจีบเขาพอนะแต่งงานไม่นานความสวยของเธอก็หายไปนะความสวยมันอยู่ชั่วคราวในความสุขของพ่อเจ้าประคุณก็หายไปด้วยนะอยากมีลูกฉลาดคิดว่าถ้ามีลูกฉลาดฉลาดนะลูกหน้าตาดีๆเราจะมีความสุขลืมดูตัวเองว่า i อคิวขนาดตัวเองหน้าตาขนาดตัวเองลูกมันคงไม่สวยไม่งามเท่าไหรนะ่มันคงไม่ฉลาดนะ คือแต่ละคนเนี่ยจะฝันฝันตลอดเวลานะาถ้าได้อย่างนี้จะมีความสุขถ้าได้อย่างนี้จะมีความสุขมันมีคำ ว, ว่าถ้าอยู่ตลอดเวลาแล้วเมื่อไหร่มันจะมีความสุขสถทีถ้าอยู่มาจนแก่ขนาดหลวงพ่อนะหรือแกกว่าหลวงพ่อขึ้นไปจะเห็นนะคนพออายุมากขึ้นมากขึ้ น, นคิดว่าชีวิตนะวันไหนไม่เจ็บไม่ป่วยก็จะมีความสุขคิดแค่นั้นนะเพราะว่าเจ็บป่วยอยู่เรื่อยเอง ก็ฝันว่าเมื่อไหร่จะหายป่วยสักทีพอป่วยนานๆมันทรมานมากนะพี่ชิดอีกตายซะได้จะมีความสุขดูสิตั้งแต่เล็กๆมานะหาความสุขจนสุดท้ายนะเออถ้าตายได้คงจะมีความสุขเราหาความสุขตลอดเวลาแต่เราหาไม่เจอความสุขเหมือนจะอยู่ข้างหน้าเราเหมือนจะหยิบได้แต่ก็หลุดมือไปทุกทีถ้าเราไปหาความสุขเนี่ยที่อิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่น ความสุขที่ต้องอยู่กับคนนี้ถึงจะมีความสุขต้องไม่เจอคนนี้ถึงจะมีความสุขความสุขที่อาศัยสิ่งอื่นๆเช่นต้องมีเงินเยอะๆมีชื่อเสียงมีตําแหน่งในความสุขที่อิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นไม่ว่าเราจะอาศัยอะไรเราจะเป็นทาสของสิ่งนั้นเราไม่ได้เป็นตัวของตัวเองอย่างเราจีบสาวสักคนะเราก็ต้องเอาใจเขาหรือเราจะจีบหนุ่มสักคนเราต้องเอาใจมัน เรามีทรัพย์สมบัติมากๆต้องมีภาระในการดูแลไม่ว่าจะมีอะไรก็ทุกทุกทีเลยเพราะฉะนั้นการที่จะหาความสุขนะั้นด้วยการที่ว่าต้องพึ่งพาคนอื่นพึ่งพาสิ่งอื่นเนี่ยมันไม่สามารถนําความสุขที่แท้จริงมาให้กับชีวิตของเราได้สิ่งที่จะทำให้เรามีความสุขได้โดยตัวของตัวเองเนี่คือคําตอบที่พระพุทธศาสนาเนี่ยมุ่งมัดสู่จุดนี้ เราจะสามารถมีความสุขได้นะทั้งๆที่เราแก่เราเจ็บเราตายนะเราพลัดพลาดจากคนที่เรารักเราเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจนะเราผิดหวังเราก็ยังมีความสุขอยู่ได้ทำงานจะมีความสุขอยู่ได้ในทุกๆปรากฏการณ์ศนะาสตร์อันนี้เป็นศาสตร์ที่พวกเราคนไทยนะมีบุญมากนะคือบรรพบุรุษเราเลือกพระพุทธศาสนาเข้ามาในประเทศเราเพราะฉนั้นพระพุทธศาสนาเนี่ยมีการสืบทอด อยู่ในเมืองไทยใช้ภาษาไทยตอนนี้ลูกศิษย์หลวงพ่อที่เป็นคนต่างชาติเนี่ยเยอะมีเยอะขึ้นเรื่อยๆนะเขามีปัญหามากเลยอย่างคนจีนจากแผ่นดินใหญ่นะจัดรวมกลุ่มเข้าคอร์อสกันมาเรียนมาฟังต้องมีคนแปลพวกฝรั่งมาก็ต้องมีคนแปลห น, ลนังสือทั้งหลายมันภาษาไทยคำสอนทั้งหลายมันภาษาไทยเขาลาบากกว่าพวกเราเยอะเลยของพวกเรา ฟังเป็นภาษาไทยอ่านเป็นภาษาไทยนะมันง่ายกว่าเขาแต่ว่ามีคนเขาตั้งข้อสังเกตนะว่าเด็กรุ่นหลังๆเนี่ยเก่งหลายภาษานะรู้ภาษาหลายภาษายกเป็นภาษาคนเป็นวนุษรัฐมมีมีเหตุมีผลนะ <c oughs> นี้ทำไงเราจะสามารถเรียนเข้ามาถึงศาสตร์ตัวนี้ให้ได้ความทุกข์มันอยู่ที่ไหน ความทุกข์อยู่ที่ร่างกายความทุกข์อยู่ในจิตใจคนทั่วๆัวไปคิดว่าจะหาความสุขนะจะหนีความทุกข์กด้วยการไปอาศัยคนอื่นอาศัยสิ่ง อ, อืน่นเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เรานีท่านสอนให้เราเผาชิญหน้านะความทุกข์อยู่ที่กายมาเรียนรู้กายความทุกข์อยู่ที่ใจมาเรียนรู้ใจนะงั้นหน้าที่ของเราถ้าเราอยากจะพ้นทุกข์จริงๆโดยไม่ต้องอาศัยคนอื่นไม่ต้องอาศัยสิ่ง อ, อื่นไม่ต้องเสียอิสรภาพในตัวของเราเอง เราก็ต้องมาเรียนรู้อยู่ที่กายที่ใจของตัวเองนี่แหละทุกคนสามารถรู้สึกกายรู้สึกใจได้อย่างตอนนี้เรานั่งอยู่รู้สึกไหมว่ากำลังนั่งอยู่มีใครไม่รู้สึกคิดว่ากำลังนอนมีไหมบางคนก็ครึ่งนั่งครึ่งนอนนะเพราะว่าเป็นเวลาบ่ายปกติบ่ายๆหลวงพ่อไม่ค่อยรับเทศนะเทศยาก พอโยมฟังมากๆโยมจะหลับหลวงพ่อก็จะหลับด้วยมาหลับแข่งกันจะได้นะการจะเรียนรู้กายรู้ใจนะมันไม่ใช่เรื่องยากเราสามารถรู้สึกร่างกายรู้สึกจิตใจของเราได้ทุกคนรู้สึกได้อยู่แล้วแต่เราละเลยที่จะรู้สึกอย่างร่างกายของเราเนี่ยนั่งอยู่ตอนเนี้ยลองขยับมือสิไหนขอมือหน่อยยกมือหน่อยรู้สึกไหมเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวน เรารู้เรียกความรู้สึกนะเอามือหลงได้เดี๋ยวไปทิ่มหน้าคนข้างๆเขาลึกนะในใจเราเนี่ยจะมีความสุขจะมีความทุกข์จะดีหรือจะร้ายจะโลภจะโกรธจะหลงจะฟุ้งซ่านจะหดหู่ก็เรารู้จักเท่านั้นเลยความรู้สึกในใจรู้จักความสุขไหมเคยมีความสุขไหมออรู้จักใช่ไหมสุขเป็นยังไงความทุกุรู้จักไหมออิจฉาอิจฉ า, าเคยอิจฉาไหม ผู้ชายเคยอิจฉาไหมไหนผู้ชายคนไหนเคยอิจฉายกมือให้ดูหน่อยมีไหมอย่ากโกหกพระนะบาปผู้ชายก็อิจฉาเป็นนะอเพื่อนมันหลอ ก, กว่าเราเราก็ไม่ชอบหน้ามันเท่าไหร่นะหรือไอ้นี่ยหน้าต่างโง่ๆนะแต่แฟนมันสวยแค่นี้ก็อิจฉามาันละเนื้อความรู้สึกนะทุกชนิดเราก็รู้จกักรู้จักกลัวไหมเช่นกลัวเข้าห้องสอบไม่ทันหนึ่งเนี่ย น, นะ ควารู้สึกทุกอย่างนะจะรักจะโลภจะโกรธจะหลงจะกลัวจะอิจฉาอาฆาตใครเคยอาฆาตบ้างมีไหมอาฆาตรู้จักเซิงไหมเซิงฟังไปเรื่อยเรืยเดี๋ยวก็เซงเองอะ่ะนะ <laughs> เดี๋ยวก็รู้จักนะถ้าใครยังไม่รู้จักเมื่อความรู้สึกทุกอย่างอย่าขำรู้จักไหมขำเราขำเราพอหั ว, หวลอ้อใช่ไหม เราไปนี้นะแทนที่เราเจะหัวเราะแล้วก็ลืมเน้อลืมตัวนะเรามาพัฒนาคุณภาพชีวิตเราหัวเราะเราเห็นร่างกายกําลังหัวเราะเราเห็นใจกําลังมีความสุขนะคอยรู้สึกดูอันนี้เป็นศาสตร์ที่อัศจรรย์มากเลยคนนี้วิ่งหาความสุขแทบเป็นแทบตายเลยลืมว่าความสุขความทุกข์นั้นอยู่ที่ตัวเองถ้าเราหันมาเรียนรู้ตัวเองให้มากพอ เราไปเนี่ยมันจะเข้าใจความจริงของชีวิตมากขึ้นมากขึ้นคนเราเนี่ยนะอินโนเซนตไรเดียงสามารถตั้งแต่หนุ่มจนแก่ตั้งแต่เด็กอะไรเนี่ยนะไรเดียงสาตลอดเวลาเพราะอะไรไม่เคยเข้าใจความจริงของชีวิตมันถึงได้มีความทุกข์ในจิตใจขึ้นมาถ้าเราสามารถเข้าใจความจริงของชีวิตได้ะความทุกข์มันจะไม่มาสิ่งที่ประกอบกันเป็นชีวิตของเราก็มีแค่ร่างกายกับจิตใจ คอรู้สึกเรื่อยๆอย่าใจลอยรู้จักใจลอยไหมรู้จักเม่อไหมเม่เม่อใจลอยถ้าไปดูให้ดีนะใครบ้านมีหมามีอะไรอย่างเงี้ยเวลาหมาไม่มีอะไรมากระทบมันรุนแรงไม่มีอะไรเร่าความรู้สึกนะมันจะเม่อเมอมันจะใจลอยนั้นใจลอยเก่งไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหรอกหมาก็ทําเป็นนะแต่ว่าใจลอยเนี่ยเป็นเรื่องร้ายแรงในทางพระพุทธศาสนา เวลาที่เราใจลอยนะเรามีร่างกายเราลืมร่างกายตัวเองเรามีจิตใจเราลืมจิตใจตัวเองงั้นใจลอยเนี่ยคือศัตรูเบอร์หนึ่งที่ทําให้เราไม่สามารถยกระดับจิตใจของเราให้พ้นจากความทุกข์ได้และต่อไปนี้เราต้องพยายามฝึกตัวเองนะร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกอย่างจิตใจเรามีความสุขเรารู้จิตใจเรามีความทุกข์เรารู้จิตใจเรา ดีรู้นะจิตใจเราโกรธขึ้นมาก็รู้จิตใจเราอยากโน่อนอยากนี่ขึ้นมาก็รู้คอยรู้ทันมันไปบ่อยๆนะนี่แหละถ้าเราใจลอยเราจะไม่สามารถรู้สึกในร่างกายรู้สึกในจิตใจได้อย่างบางคนนั่งเล่นไพนะ่จิตใจเนีย่องลอยคือจิตใจลอยไปอยู่ที่ไพนะ่คิดตลอดเลยจะจั่วตัวไหนนะจะตัวไหนจะดีเนะนะนี่ยขณะนั้นนะใจเราจดจ่อกับการเล่นไพ่เนี่ยนะ มันลืมมีร่างกายก็ลืมนะยุ่งมากัดก็ไม่รู้บางทีตำรวจมานะั้นเรากำลังก้มคิดอยู่อย่างเงี้ยตำรวจมานะไอ้พวกเพื่อนร่วมวงภพ่หนีไปหมดแล้วเรายังไม่รู้เลยนะตำรวจสกิดเฮ้ยอย่ายุ่งนะนะเพราะอะไรขนาดนั้นมันลืมตัวเองนะขนาดนั้นเราเราสนใจคนอื่นสนใจสิ่งอื่นหรือสนใจเรื่องราวที่เราคิดถ้าเราไปสนใจในเรื่องที่เราคิดนะอย่างเวลานั่งคิด นึกออกไหมตอนที่เราคิดอะไรเฟลินงเเวลาที่เราคิดอะไรเฟลินงนะยุ่งมากัดเราก็ไม่รู้สึกนะกัดไปตั้งนานแล้วคันเต็มทีแล้วค่อยรู้สึกหรือเวลาใจเราหลงนะหลงมันมีร่างกายเนะี่ยเราลืมร่างกายเราหลงไปคิดน้อนคิดนี่นะ่ใจเรามีความสุขเราก็ไม่รู้ใจเรามีความทุกข์เราก็ไม่รู้ ใจเราโลภใจเราโกรธใจเราหลงใจเราฟุ้งซ่านใจเราหดหู่เราไม่รู้ทั้งสิ้นเลยในเวลาที่ใจลอยใจลอยคือใจมันไปสนใจคนอื่นสนใจสิ่งอื่นนะเพราะฉะนั้นตัดไปนี้เราพยายามมาฝึกนะฝึกให้ความรู้สึกตัวเกิดขึ้นพยายามมีความรู้สึกตัวนะเพราะฉะนั้นการทําความรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นของการพัฒนาคุณภาพจิตใจของเราเองถ้าเราใจลอยไม่มีทางเลยที่จะพัฒนาตัวเอง งั้ต่อไปนี้พยายามรู้สึกในร่างกายบ่อยๆนะเอาทุกคนลองยิ้มซิยิ้มหวานๆยิ้มให้มีความสุขนะ mm hmm. โดยเฉพาะผู้วิศวะนะยิ้มหน่อย mm hmm. ต่อไปจะบอกอะไรให้ mm hmm. เรียนวิศวะเนี่ยนะโอวิวแสนสาหัสเลยนะชีวิตจะต้องลำบากอีกมากนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นควรจะเรียนศาสตร์ที่หลวงพ่อสอนให้ทุกวันเนี่ยผู้วิศวะไปเรียนกับหลวงพ่อเยอะมากเลยนี่แม่ฉี่นี่ก็วิศวะปริญญาโทนะ ไม่โอโหหรอกนู่ก็นักเรียนนอกนะนี่ก็นักวิทยาศาสตร์นะต่อไป น, นี้รู้สึกตัวให้เป็นอย่าใจลอยนานนะถ้าใจเรามีความสุขให้รู้ทันใจเรามีความทุกข์ให้รู้ทันคอยรู้บ่อยๆรู้เพื่ออะไรรู้เพื่อ ว, วันหนึ่งเราจะเห็นนะว่าความสุขเนี่ยมันอยู่ได้ชั่วคราวแล้วมันก็หายไปความทุกข์มันอยู่ได้ชั่วคราวแล้วมันก็หายไปเราไม่ได้ฝึกที่จะให้ใจมีแต่ความสุข เราไม่ได้ฝึกปฏิเสธความทุกข์นี่เป็นศาสตร์ที่ประหลาดมากเลยคือให้รู้อย่างที่มันเป็นเคยได้ยินคำว่ารู้ตามความเป็นจริงไหมรู้รู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นอย่างร่างกายนั่งอยู่รู้สึกร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนรู้สึกนะขยับไม้ขยับมือรู้สึกรู้สึกไปอย่างที่มันกาลังเป็นหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกนะหรือรู้ทันจิตใจอย่างที่จิตใจเป็น จิตใจมีความสุขก็รู้จิตใจมีความทุกข์ก็รู้จิตใจโอบจิตใจโกรธจิตใจหลงจิตใจฟุ้งซ่านจิตใจโหดหูจิตใจเป็นไงคอยรู้รู้เพื่ออะไรเพื่อว่าถึงจุดหนึ่งเพอเรารู้มากเข้ามากเข้าเนี่ยเราจะพบความจริงความจริงก็คือทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวร่างกายเรานั่งก็นั่งชั่วคราวร่างกายเรายืนก็ยืนชั่วคราวเดินก็เดินชั่วคราวนอนก็นอนชั่วคราว ไม่นอนขนาดนอนอย่างนอนชั่วคราวนอนนานนานได้ไหมนอนมากไม่ได้นอนมา ก, ม, นน ม, ากมีความทุกข์นะเคยเห็นคนเป็นอัมพาตไหมไม่มีโอกาสลุกขึ้นมานะเต็มไปด้วยความทุกข์นะนอนจนเป็นแผลกดทับตัวเน่าไปเลยนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยที่เราต้องคอยเปลี่ยนอิริยาบถนะเดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็เดินเดียเดเด๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นอนนี่เราหนีความทุกข์อยู่ตลอดเวลานั่งนานๆก็ทุกข์นะเมื่อยเดินนานๆก็เมื่อยเห็นไหม กินมากๆทุกไหมไม่กินทุกไหมทุกอีกกินแล้วไม่ได้ขับถ่ายทุกไหมทุกอีกเนี่ยความจริงของในร่างกายนะเต็มไปด้วยความทุกข์ถ้าเราเห็นอย่างนี้น่ะต่อไปความยึดถือในร่างกายเราจะค่อยๆลดลงเราเริ่มเห็นความจริงแล้วร่างกายเราไม่ใช่ของวิเศษอย่างที่เคยนึกหรอกร่างกายเราเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์อย่างเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยก็ไม่ค่อยรู้สึกว่าทุกข์เพราะอะไรเพราะสติเราไม่พอ ถ้าเราคอยรู้สึกในร่างกายบ่อยๆเราจะเห็นในร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์นะนั่งอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์เชื่อไหมว่าหายใจก็ทุกข์ลองวิศวะลองดูหายใจเข้าห้ามหายใจออกลองดูสิทุกข์ไม่ทุกข์ทุกข์ใช่ไหมหายใจเข้าทุกข์เต็มทีแล้วต้องหายใจออกหายใจออกเพื่ออะไรเพื่อแก้ทุกข์หายใจออกไปเรื่อยๆทุกข์อีกแล้วนะ ต้องหายใจเข้าเพื่อแก้ทุกอีกรวมความแล้วก็คือจะหายใจออกก็ทุกข์นะจะหายใจเข้าก็ทุกข์จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ทุกข์นะจะหิวจะอิ่มทุกข์ทั้งนั้นเลยเนี่ยถ้าเราคอยรู้อยู่ในร่างกายมากเข้ามากเข้านะเราจะเห็นความจริงของร่างกายร่างกายไม่ใช่ของวิเศษอย่างที่เคยนึกไว้แล้วล่ะร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ความบีบคั้นถ้าเราเห็นอย่างนี้ได้แล้วต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในร่างกายเราสมมติเรา อยู่ไปเรื่อยๆนะลดกว้าแขนขาดไปข้างหนึ่งนะถ้าคนทั่วๆไปมีความทุกข์มากแล้วว่าของดีของวิเศษของเราคือแขนเนี่ยหายไปข้างหนึ่งนะแต่ถ้าเราเคยรู้เคยเห็นนะว่าทุกอย่างเนี่ยในร่างกายเราเต็มไปด้วยความทุกขก์แขนหายไปข้างเนื้อทุกน้อยไปหน่อยหนึ่งนะหรือเวลาเราแก่เราจะไม่รู้สึกว่าเราแก่แต่เราจะรู้สึกว่าร่างกายมันแก่ไอตัวทุกข์กมันแก่ เวลาเราไม่สบายไอตัวทุกข์มันไม่สบายไม่ใช่ของดีของวิเศษไม่สบายเวลามันจะตายนะไอะตัวทุกข์มันตายไอตัวทุกข์ตายสมน้ำหน้ามันใช่ไหมเราจะไม่หวั่นไหวเลยนะไอตัวทุกข์นี่จะตายนี่เราหัดรู้หัดดูนะ้าต่อไปว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในร่างกายนะจะไม่ทุกข์เท่าไหร่หรอกคนอื่นทุกข์แทบตายเลยเราทุกข์นิดหน่อยเพราะเราเคยเห็นความจริงแล้วว่าร่างกายไม่ใช่ของวิเศษอย่างสมมติถ้าเรามาีอะไรสักอย่างหนึ่งนะมีทรัพย์สมบัติสักอย่างหนึ่ง เรารู้สึกว่าไอเนี่ยดีที่สุดเลยซื้อมือถือซื้อมาอย่างไม่เอี่ยมนะปรากฏว่าต่อมามีข่าวเรื่อยๆนะว่าไอยี่ห้อเนี้ยระเบิดเก่งนะชาร์จแล้วก็ระเบิดนะถือไปถือมาตกทีเดียวระเบิดอีกอะไรเงี้ยนะรู้สึกมันไม่ใช่ของดีละเพราะงั้นบางทีมันหายไปได้นะดีใจจะได้หล่อซื้อ iPhone 6นะไอเนี้เจ๋งเแลาเพราะมันไม่ใช่ของดีมันเสียเนี่ยไม่เสียดายถ้าเมื่อไหร่เราเห็นว่าร่างกายเนี้ยมันเหมือนของเสีย มันแก่มันเจ็บมันตายเราจะไม่เสียดายเราจะไม่ทุกข์นะนี่ยังเด็กเนี่ยคำสอนตรงนี้มันไม่ถึงใจเรามาดูมาหัดดูความรู้สึกทางใจเราค่อยสังเกตไปเวลาเรามองเห็นเราเห็นคนนี้เรามีความสุขเราเห็นคนนี้เรามีความทุกข์เราเจอคนนี้เราเกลียดเจอคนนี้เรารักให้ค่อยสังเกตลงที่ใจนะเราจะเห็นว่าความสุขเกิดขึ้นเนี่ยอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความทุกข์ อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปนะความดีอยู่ชั่วคราวก็หายไปนะความโกรธความโลภความหลงอยู่ได้ชั่วคราวแล้วก็หายไปอย่างเมื่อกี้หลวงพ่อถามว่าใครเคย อ, อกหัก อ, อกหักทีแรกนะถ้าเรารักมากมากทุกข์มากใช่ไหมแลพะพอผ่านไปความทุกข์อันนั้นก็หายไปเราพร้อมที่จะ อ, อกหักครั้งใหม่นะบางคนนะ อ, อกหักครั้งที่10เนี่ยนะเฉยๆแล้วนะเพราะว่ายอมรับได้ว่าชาตินี้คง อ, อกหักทั้งชาติยอมรับความจริงได้นะ ก็ไม่ทุกนะเน่ถ้าเราสังเกตให้ดีนะความสุขทั้งหลายที่เราดิ้นรนหานะเราไปดูหนังเราหวังว่ามีความสุขไปฟังเพลงไปซื้อวิดีโอมาดูนะเนี่ยหาของอร่อยกินเนี่ยเราหวังว่าจิตใจเราจะได้รับความพอใจแต่ถ้าเราสังเกตให้ดีเราจะเห็นว่าความสุขความพอใจทั้งหลายเนี่ยอยู่ได้ชั่วคราวนะอยู่ได้แป๊บเดียวนะแล้วมันก็หายไปแล้วเวลาที่เรามีความทุกข์อย่าไปตกใจ เวลามีความทุกข์เราก็สังเกตดูตอนนี้ใจกําลังมีความทุกข์ดูไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะพบว่าความทุกข์นี้ก็หายไปเวลาโกรธขึ้นมาคนทั่วๆไปนะเวลาโกรธเนี่ยมันจะไปสนใจไอ้คนที่ทําให้เราโกรธเนีย่ยเราขับรถอยู่คนมัน่านหน้าเราเราจะไปดูไอ้คนที่ปาดเราไม่เคยย้อนมาดูใจที่กําลังโกรธ ถ, ถ้าเราย้อนมาดูใจที่กําลังโกรธเนี่ยเราจะรู้เลยว่าความโกรธไร้สาระ มันมาได้มันก็ไปได้อยู่ได้ชั่วคราวมันเหมือนกับความสุขเหมือนกับความทุกข์นั่นแหละอยู่เดียวเดียวก็ไปลนะหรือความโลภนะอยากได้เวลาเจอสินค้าใหม่ๆอยากไดนะ้เก็บเงินมาไปซื้อมาได้มาปรเดี๋ยวเดียวเบื่อละถามจริงๆใครมีแฟนและมีไหมยกมือซิมีบ้างไหมเบื่อบ้างไหมไม่ต้องบอกนะอันตรายนะ เราวัดใจเราเองไม่ต้องไม่ต้องบอกว่าเบื่อไว่เบื่อนะตรงพ้อถามเนี่ยไม่ต้องยกมือนะอันนี้อันตรายที่สุดเลยนะรักจีแรกโอ้โหหวานแหววใช่ไหมรักนานๆก็งั้นงั้นแหละแต่งงานโอ้โหแต่งงานนะฝฝันเหมือนเจ้าหญิงเจ้าชายจัดงานแต่งงานแต่งไม่ทันเลยเลยก็เบื่อแล้วละเนี่ความรักนะก็ชั่วคราว เพราะสาวๆทั้งหลายเนี่ยนักศึกษาเด็กๆสาวๆเนี่ยหลวงพ่อจะบอกความลับให้ข้อหนึ่งนะถ้าไอ้หนุ่มคนไหนมันมาบอกเราว่ามันรักเราที่สุดในโลกเนี่ยชี้หน้ามันเลยับโกหกสิ่งที่คนเรารักที่สุดคือตัวเองมันรักตัวเองมันหลอกเรานะอย่าไปเชื่อมัน <laughs> ผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมันโง่ ก, กันคนละแบบนะ <laughs> ผู้หญิงแนละ้วบางคนมันรู้เห็นวนะ่าแฟนวันนี้ใส่ไม่ดีก็คิดว่าเดี๋ยวแต่งแล้วจะค่อยๆ อ, อบรมให้มันดีเนี่ยความโง่อของผู้หญิงคิดว่าผู้ชายเปลี่ยนได้ความโง่อของผู้ชายก็คือคิดว่าแฟนเราตอนนี้ยหวานแหววเธอจะหวานแหววทั้งชาติไม่รู้หรอกว่าผู้หญิงเปลี่ยนได้นะเนี่ยมันโง่ในคนละด้านนะใครโง่กว่ากันสรุปได้ไหมสรุปยากมันโง่อพอๆกัน ไม่งั้นมันไม่อยู่ด้วยกันหรอกเนี่ยสังเกตดูนะทุกอย่างที่เราดิ้นรนหามาแล้วหาแฟนราหวังว่าจะมีความสุขใช่ไหมแต่พอได้มานะสุขเดียวเดี๋ย ว, เ ด, ยวเดี๋ยวก็เบื่อลวนะหวานแววอยู่ไม่กี่ปีเนี่ยเป็นเรื่องจริงเลยนะลองถามอาจารย์ที่แต่งงานานานๆนะว่าทุกวันนี้หวานแววเหมือนอดีตไหมไม่เหมือนหรอก ความสุขก็ขอชั่วคราวความทุกข์ก็ของชั่วคราวนะความดีความชั่วในใจเราชั่วคราวโกรธก็โกรธชั่วคราวรักก็รักชั่วคราวฟุ้งซ่านก็ชั่วคราวหดหูก็ชั่วคราวดีใจก็ดีใจชั่วคราวเสียใจก็เสียใจชั่วคราวหัดดูบ่อยๆหัดรู้ทันมันบ่อยๆอย่าไปแค่คิดเอานะให้คอยรู้จริงๆเลยว่าจริงหรือไม่จริงว่าทุกอย่างความรู้สึกทุกอย่างนเป็นของชั่วคราว ถ้าเราเห็นอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะเราไปจิ ต, ตมันจะฉลาดถ้าจิตฉลาดจิตจะไม่ทุกนะจิตที่ทุกได้เพราะจิตโ ง, ง่เราจะมาฝึกให้จิตฉลาดด้วยการพาจิตให้เรียนรู้ความจรงิงความจริงในร่างกายถ้าเรารู้แล้วเราจะไม่ทุกเพราะร่างกายความจริงในจิต ใ, ใ, ใจนะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายทุกอย่างชั่วคราวถ้าเห็นความจริงอย่างนี้แล้วความทุกข์ทางใจจะค่อยๆหายไป อย่างเราดิ้นรนแทบตายนะหวังได้ความสุขความสุขก็อยู่ชั่วคราวคนทั่วไปเนี่ยเวลาที่ไม่มีความสุขนะอยากได้ความสุขพอความสุขมาแล้วอยากให้ความสุขอยู่นานๆความสุขไม่เคยอยู่นานนะแล้วความสุขก็สั่งไม่ได้ว่าจงมีความสุขความสุขจงมาสั่งมันไม่ได้มันมาแล้วจะรักษามันไว้ก็รักษาไม่ได้นะเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยความสุขเนี่ยจะมายั่วยวนให้เราแสวงหามันได้น้อยลงน้อยลง เราจะไม่ค่อยดิ้นรนหาความสุขเรารู้ว่าความสุขเป็นของหลอกๆ อ, อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปหรือว่าคนทั่วๆไปนะเกลียดความทุกข์ตั้งใจวนะ่านัดบางทีทําบุญเจ้าประคุณขออย่าได้เจอความทุกข์เลยอันเนี้ยคนทั่วๆไปเขาทําอย่างนี้นะแต่ถ้าเป็นนักปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยถ้าไม่เคยเจอความทุกข์เลยเนะี่ยเธอไม่มีทางบรรลุมรรคผลนิพพานเลยแล้าเธอไม่เคยเห็นความจริงของชีวิตนะว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ จิตใจเนี่ยเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนถ้าเห็นเราจะรู้ว่าความทุกข์ความสุขนะอะไรต่างๆความดีความไม่ดีทั้งหลายที่ผ่านเข้ามาในใจเราเป็นแค่ของชั่วคราวมาแล้วมันก็ไปบังคับให้มันมาก็มันก็ไม่มาอย่างสั่งความสุขให้มามันไม่มาห้ามมันไม่ให้มามันก็จะมาอย่างความทุกข์นะบอกอย่ามามันก็มามาแล้วนะสั่งให้มันไปเร็วๆหรือสั่งให้มันอยู่ตลอดไปมันก็ไม่เชื่อคาสั่งเรา อย่าความทุกมาเราบอกให้ไปเร็วๆมันไม่ไปความสุขมาเราบอกให้มันอยู่นานๆมันก็ไม่อยู่ไม่มีอะไรเลยในใจเราที่เราบังคับได้จริงกระทั่งใจเราเรายังบังคับไม่ได้เลยเราจะไปฝังซื้อใจคนอื่นเนี้ยเลื่อนลอยมากเลยงั้นหัดสังเกตตัวเองนะแล้วต่อไปจะรู้ว่าทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวถ้าทุกอย่างในชีวิตเป็นของชั่วคราวแล้วเวลาเราเจอปัญหาชีวิต สมมติอยู่ๆไปตรวจร่างกายเด็กๆก็เป็นนะมะเร็งอะ่ะนะเด็กๆก็เป็นมะเร็งเด็กๆก็ประสบอุบัติเหตุไม่ใช่ว่าต้องเป็นผู้ใหญ่หรอกนะไปหลวงพ่อเคยไปถาบันมะเร็งนะไปเยี่ยมญาติเด็กๆๆเล็กๆก็เป็นนะเนี่ยอยู่ๆสมมติไปตรวจร่างกายมาอยู่ๆเราเป็นมะเร็งนะใจมันจะฝอมากเลยบางคนไม่ทันจะเป็นมะเร็งตายเลยช็อกตายซะก่อนนะแต่ถ้าเราเคยหัดดูกายหัดดูใจเลยร่างกายมันป่วย ใจกลุ้มใจเราก็เห็นความกลุ้มใจมันเข้ามาความกุ่มใจมเกี่ยวกัเด็นหายออกไปเลยมันจะทนสติปัญญาเราไม่ได้เราจะสามารถป่วยนะโดยที่ไม่กลุ่มใจหรือเราต้องเจอคนที่เราไม่ชอบมีบ้างไหมนักศึกษาลองตอบหลวงพ่อนะแต่ว่าไม่ต้องออกเสียงนะมีไหมอาจารย์ที่เราชอบมีไหมมีอาจารย์ที่ชอบไหมมีอาจารย์ที่ไม่ชอบไหมเนี่ยไม่ต้องยกมือนะหรืออาจารย์เสียใจ นะแต่มันมีถ้าถามอาจารยนะ์มีนักศึกษาที่ชอบไหมมีนักศึกษาที่ไม่ค่อยชอบหน้าไหมก็มีเหมือนกันเลยนะการที่เราเจอนะเราไม่เราไปเจอคนที่เราไม่ชอบใจเนะี่ยเราเลือกได้ไหมเรามีเพื่อนรเพื่อนร่วมรุ่นเนะเพื่อนร่วมรุ่นคนนี้นี่ใสยแย่มากเลยแต่นะก็ฟ้าส่งมาเกิดนะ น, น่าจะนรกส่งมาเกิดบางคนนะนะแย่มากเลยแต่เราต้องเจอมัน เวลาเราเจอคนที่ไม่ดีคนที่เราไม่ชอบเน่เรามีความสุขหรือเรามีความทุกข์นึกออกไหมเราจะมีความทุกข์แต่ถ้าเราเห็นนะว่าความทุกข์นี่ก็ของชั่วคราวเราไปเราเจอคนที่เราไม่ชอบใจเราก็จะเฉยๆฉยเราไม่เกลียดเขาหรอกเพราะเกลียดเมื่อไหร่เราจะทุกข์มากขึ้นบางทีเรามีคนที่เรารักแล้วเราพลัดพลากจากคนที่เรารักอันนี้ทุกข์ไหมมีแฟนแนละ้วแฟนทิ้งถ้าแฟนทิ้งบอกแฟนจะออกบวช ยังเจ็บน้อยนะสมมุติสาวๆไอ้หนุ่มมันบอกว่าจะไปบวชแล้วเราต่างคนต่างอยู่นะเป็นเพื่อนร่วมโลกกันเราก็เศร้าใจใช่ไหมแต่ถ้ามันบอกว่าฉันไม่เอาแล้วนะฉันไปจีบคนอื่นดีกว่าเธอวันนี้ยิ่งเจ็บหนักเลยเนะนี่ยการพลัดพรากจากสิ่งที่รักทําให้เรามีความทุกข์แต่เราเลือกไม่ได้ความพลัดพรากจะมาถึงเราเมื่อไหร่เราไม่รู้อย่างเรากลับบ้านไปวันนี้อาจจะมีข่าวพ่อแม่เราตายแล้วก็ได้ ไม่แน่กลับบ้านบ้านไยไม้ไปแล้วก็ได้ไม่แน่ทุกอย่างในชีวิตเรานี่อะไรเกิดขึ้นได้เสมอถ้าใจของเราฉลาดพอเราเห็นว่าความสุขชั่วคราวความทุกข์ก็ของชั่วคราวอะไรก็ของชั่วคราวเวลาเราเจอคนไม่ชอบเราก็รู้ว่ามันไม่อยู่ชั่วคราวเราอยู่กับคนที่เรารักเราก็ไม่หลงปลื้มว่าจะต้องอยู่ในิรันดอนมันก็อยู่ชั่วคราว ไม่มีหรอกคนที่รักกันแล้วอยู่ด้วยกันตลอดการไม่มีนะสุดท้ายต้องแยกย้ายกันไปอยู่พอตายปุ๊บนะรีบเอาใส่โลงไปไว้วัดก่อนเห็นไหมแล้วก็ไปจุดทูบบอกนะเดี๋ยวจะทําบุญมาให้ไม่ต้องไปเยี่ยมนะะรักแสนรักนะต้องบอกอย่าไปเยี่ยมนะมงั้นเราค่อยค่อยเรียนนะค่อยๆสังเกตนะคอยรู้สึกอยู่ที่กายคอยรู้สึกอยู่ที่ใจตัวเองนะ แล้วเห็นเลยร่างกายเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์นานาชนิดสังเกตที่จิตใจมีแต่ของชั่วคราวสังเกตอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วต่อไปไม่ว่าเจออะไรจะแก่ก็เรื่องธรรมดาจะเจ็บก็เรื่องธรรมดาจะตายก็เรื่องธรรมดาจะพลัดพรากจากสิ่งที่รักจากคนที่รักก็เรื่องธรรมดาจะเจอสิ่งที่ไม่รักเจอคนที่ไม่รักก็เรื่องธรรมดาจะสมหวังหรือผิดหวังก็เรื่องธรรมดาพอเห็นว่าอะไรๆก็ธรรมดาไปหมดเนี่ย ความทุกข์ในใจมันจะไม่มีนะความทุกข์มันจะค่อยๆลดลงที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนะี่ยเหมือนจะยากแสนยากแท้จริงไม่ยากเลยคนที่ฟังซีดีหลวงพ่อนะบางคนไม่เคยเจอหลวงพ่อเจอหลวงพ่อไม่ใช่เรื่องง่ายนะยากมากเลยที่จะเจอนะบางคนเข้าคิวที่นี่มั้งนิมนต์แต่ละที่กว่าจะนิมนต์หลวงพ่อได้เป็นปีนะไม่ใช่นิมนต์วันเมื่อวานวันนี้มาไม่ใช่หรอกคิวยาวมากเลยนะโอกาสที่จะได้เจอกันเนี้มีไม่มากหรอก นี่บางคนไม่เคยเจอหลวงพ่อเลยนะแต่เขาฟังซีดีเปิด YouTube ฟังอะไรฟังนะแล้วเขาพบว่าในเวลาแค่เดือนหนึ่ง2เดือน3เดือนอะไรเนี้ยชีวิตเขาเปลี่ยนเราจะมีความรู้สึกเหมือนว่าเรากำลังเกิดใหม่มีชีวิตใหม่ไม่ใช่มีชีวิตที่ฝันลมๆแรงๆอีกต่อไปแล้วแต่มีชีวิตที่รู้ที่ตื่นที่เบิกบานสามารถที่จะเผชิญทุกอย่างในชีวิตได้ด้วยใจที่เข้มแข็งต้องไปฝึกนะ อาจารย์มีซีดีแจกไหมลองไปฟังดูนะแล้วอย่านึกว่ากระจอกนะซีดีหลวงพ่อไม่เหมือนของใครเลยรับรองเคยมีนิตยสารนหนึ่งนะเกี่ยวกับความงามเขาไปสัมภาษณ์ผู้หญิงหกคนว่าเธอทำยังไงเธอถึงสวยนักมีคนตอบนะว่าพาอฟังซีดีหลวงพ่อประโมทลองไปฟังนะหน้าตาเราจะเปลี่ยน หน้าเราเคยเหมือนปลาตีนหน้าเราจะสวยงามกว่านี้เยอะเลยแล้าตาจะสดชื่นนะความทุกขมันเผาใจเราไม่ได้เรนะาจะมีความสุขนะจะรอกว่าเก่าจะสวยกว่าเก่านะสุขภาพจิตจะดีขึ้นเรียนหนังสือจะเก่งขึ้นเนะนี่ยหลวงพ่อกล้าพูดเลยอย่างเรื่องเรียนนะเวลาที่เราคอยรู้ทานใจของเราเนี่ย อย่างใจมันฟุ้งซ่านเรารู้นะความฟุ้งซ่านจะหายอัตโนมัติสมาธิจะเกิดอัตโนมัติพวามสมาธิมันเกิดนะไม่ว่าเราจะทําอะไรนะจะมีคุณภาพสติปัญญามจะทํางานได้เต็มที่ถ้าไม่มีสมาธิสัอย่างเดียวทําอะไรไม่ได้จริงหรอกแต่การจะฝึกสมาธิเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปนั่งหลับหูหลับตาอะไรพวกเราไม่มีปัญญาทำหรอกนะนั่งกันแหลมปีหลายๆปีกว่าจะเข้าฌานวิธีที่ง่ายๆนะคอยรู้ทันใจตัวเองใจมันฟุ้งซ่านรู้ว่ามันฟุ้งซ่าน ถ้าใจฟุ้งซ่านล้วก็รู้ความฟุ้งซ่านมันจะหายไปโดยอัตโนมัตินี่เป็นเรื่องแปลกนะความโกรธเกิดขึ้นเรารู้ความโกรธจะหายความโลภเกิดขึ้นเรารู้ความโลภก็หายความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นเรารู้ความฟุ้งซ่านก็หายจะหายโดยอัตโนมัติพอความฟุ้งซ่านมันหายไปเนี่ยจิตจะสงบจิตจะตั้งมั่นเราทํางานหรือเราอ่านหนังสือหรือเราคิดอะไรเนี่ยจะเป็นระบบะแต่คุณภาพในการทํางานคุณภาพ ในการดำรงชีวิตเลยรพวกนี้จะเปลี่ยนไปลองดูนะหลวงพ่อไม่ชวนให้เชื่อแต่ขอท้าให้ลองนะคนหนุ่มคนสาวกล้ารับคําท้าของคนแก่ไหมแต่ถ้าท้าโชคหลวงพ่อไม่สู้ด้วยนะเราแก่เกินไปแล้วโชคไขไม่ไหวแล้วนะขอท้านะลองไปฟังซีดีหลวงพ่อดูแล้วจะพบว่าพระพุทธเจ้ามีจริงๆพระธรรมมีจริงๆพระริยะสงฆ์มีจริงๆ อย่ารู้ด้วยตัวของเราเองเนี่ยหลวงพ่อวันนี้อาจารย์เขาบอกว่าอย่าไปเทศยาวนั ก, นกศึกษาเนี่ยทนไม่ได้หลวงพ่อไม่เห็นจะไปไหนเลยเห็นไหมปกติถ้าใครฟังหลวงพ่อเทศแล้วหลับนี่นะถือว่าเป็นอัรชริยะหายากมากเลยยกเว้นชั่วโมงบ่ายๆนะเนี่ยขนาดนี้บ่ายๆ ย, ยังมีไม่กี่คนเลยที่หลับบางคนถ้าเป็นสาวๆไม่น่าเชื่อเลยหลับแล้วอาปากด้วยนะ เนี่ยพูดอย่างเงี้ยไม่กล้าหลับละไอ้หนุ่มก็ไม่กล้าหลับแล้ ว, อลลวคอยดูสาวมันหลับจะได้ดูมันอ้าปากไหมไอ้ฝึกดูนะแล้วจะรู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงๆพระธรรมมีจริงๆพระสงฆ์มีจริงๆวิธีพ้นทุกมีจริงๆปฏิบัติแล้วพ้นทุกเห็นได้ด้วยตัวเองเลยแล้วสมควรแก่เวลาเทศมากกว่านี้ก็ป่วยการนะ การกราบในมั ส, ส ก, การหลวงพ่อคะ่ะก็ก่อนหนึ่งก็ต้องกราบขอกมาอ่าแล้วก็กราบขอบคุณหลวงพ่อคือหนูก็เพิ่งมาเจอหลวงพ่อครั้งแร ก, รกเลยต้องขอกมาล <c oughs> ะเผื่อว่าทำอะไรผิดพลาดมาเมื่อก่อน อ, อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ฟัง YouTube มาตลอดเลยคะ่ะก็คิดว่าสักวันหนึ่งจะมีโอกาสได้เจอเกไหม หลวงพ่อถามเองดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวโยมเล่ายาวาโยมรู้สึกไหมว่าร่างกายกับจิตใจเป็นคนลันรู้สึกค่ะเห็นไหมมันเริ่มแยกได้แล้วดูออกไหมดูออกค่ะเห <He ard S 1> ็นไหมว่าความสุขความทุกข์กับจิตใจก็คนละอนใช่ค่ะเออแล้วเห็นไหมว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปใช่ค่ะรู้สึกไหมชีวิตเปลี่ยนเปลี่ยนมากเลยค่ะเออนะรู้สึกไหมว่าสวยกว่าเก่าใช่ค่ะมันรู้สึกได้เลยค่ะว่ามันรู้สึกนะใช่ค่ะ รู้ด้วยตัวเองอ่ะใช่ค่ะมีบางคนนะผู้หญิงไปเรียนที่วัดของพ่อเรียนๆไปสักพักนะสามีตามมาสงสัยว่าทำไมวัดนี้เขาสอนอะไรทำไมเมียสวยกว่าเก่า <c oughs> แล้วบางคนก็พบว่าเอ๊ะทไมเมียเราเปลี่ยนไปแต่ก่อนนั้นมันด่าไฟแบลบ <c oughs> เลยเดี๋ยวนี้ไม่ดา่าพฤติกรรมเปลี่ยนน่าสงสัย <c oughs> รู้สึกไหมว่าเราเปลี่ยนได้ เปลี่ยนได้ค่ะเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ง่ายๆเลยไม่มีคําถามหรอกที่ทําอยู่ใช้ได้แล้วไปทําอีกนิดเดียวได้ไหมคะหลวงพ่ออา้าวนิดนึงก็เอาคือว่าวันนั้นมันมีปัญหาเข้ามาค่ะแล้วร่างกายมันปวดหัวค่ะแต่หนูอ ม, มองที่จิตแล้วมันซบมันมันว่ามันไม่ได้คิดอะไรแล้วมันก็วางเฉยๆค่ะแต่หนูแค่สงสัยว่าทําไมร่างกายมันยังปวดหัวอยู่อา้าวร่างกายก็ส่วนร่างกายสิจิตก็ส่วนจิตสิ จิตจะไปสั่งร่างกายตลอดเวลาไม่ได้หรอกงั้นเราก็สั่งมันว่าอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายสิแสดงว่าแล้วหนูก็วางเรื่องนั้นไปเลยอะค่ะควางหมายถึงมันปวดหัวเพราะอะไรคือว่าคือเรื่องมันเข้ามาเนี่ยหนูหนูมองคือมันเหมือนมัน<อ>มีคนมองทั้งทั้งร่างกายทั้งจิตใจเลยอะค่ะคือดูทั้งสองอันแล้วพอว่าพอหนูไม่มไม่ปัญหาอยู่ตรงที่ใจไม่เป็นกลางใจเรายังปฏิเสธมันอยู่ ให้ไปรู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางไหมแต่ก็หายอ๋อค่ะขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อกรับก ล, าล่าวนภิษการหลวงพ่อครับขออนุญาตถามคำถามท่านนิดเดียวนะครับคื อ, อที่หลวงพ่อเนี่ยแสดงธรรมานี่นะครับเอจากการรู้ตัวรู้กายรู้ใจของตัวเองเนี่ยไม่ทราบเนี่ยมันจะนําไปสู่การไม่กลับมาเกิดใหม่ได้ยังไงบ้างครับโอ้ ที่มันเกิดนะเพราะใจมันเข้าไปจับไปยึดถือนะอย่างมันยังยึดในขันห้าในรูปในนามในกายในใจอยู่เนี่ยมันเสียดายมันอะไรวอนก็กลับมาอีกถ้าเห็นทุกเนี่ยมันจะไม่มาละถ้าเมื่ อ, อไหร่เห็นทุกนั้นโดยเฉพาะถ้าเห็นจนถึงกระทัง่ ง, งตัวจิตรู้เนี่ยตัวจิตรู้ถ้าเห็นเป็นตัวทุกเมื่อไหร่แล้วมันวางตัวจิตรู้ลงไปนะมันจะเกิดไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าการเกิดขึ้นมาอาศัยจิตดวงเดียวเนี่ยเกิด ต้องไปฟังซีดีหน่อยนะเล่นถามทีเดียวถึงนิพพานแต่รับรองเลยนะรับรองลองไปทาดูรบกับน้ำสกัดหลวงพ่อนะครับขอยักถามเป็นความรู้นะครับเออโยมมีโอกาสได้ฟังคิริมานนทสูตรแล้วก็มีติดฟังอะไรนะเออคิริมานนทสูตรอ๋อมา<อ>นแล้วก็ติด อันสุดท้ายที่โยมแก้ไม่ได้ก็คืออที่บอกว่าจิตนี้ก็ไม่ใช่ของเราครับใช่ครับขอให้พรอาจารย์<ด>ช่วยที่มาจริงรสิว่าจิตเป็นของเราจริงไหมเราสั่งจิตได้ไหมสั่งให้สุขไม่ได้ห้ามทุกข์ไม่ได้สั่งให้ดีไม่ได้ห้ามชั่วไม่ได้ะมันไม่ใช่เราหรอกเมื่อจิตดวงเดียวนี้ไม่ใช่เราแล้วในสามโลกธาตุนี้จะไม่มีอะไรเป็นเราอีกแล้วเพราะสิ่งที่เห็นว่าเป็นเราเหนียวแน่นที่สุดนะคือจิต แล้วถ้าเมื่อไหร่เห็นว่าจิตเป็นทุกข์นะในสามโลกธาตุนี้คือทุกข์ล้วนๆเลยถ้าเห็นได้อย่างนี้นะมันจะสลัดคืนจิตให้โลกไปแล้วต่อไปนี้จิตจะไม่หยั่งลงสู่ภพไหนอีกนั้นะแตกหักกันที่จิตนี่เองสุ ก, กลับนวัฏสการหลวงพ่อนะคะนี่ขอขอถามแทนแทนคุณแม่นะคะคือพอดีคุณแม่อายุเจ็ดสบสาปีนะคะท่านก็พยายามที่จะ ฝึกเจริญสตินะคะแต่คุณแม่ยังถามว่าคือถ้ายังห่วงดูละครอยู่ยังห่วง<ม>โกรธคนในบ้านอยู่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ<ม>ควรจะปฏิบัติทมยังไงดีคะก็ดูละครต่อไปแต่พอดูละครแล้วก็ย้อน ด, ดูใจนะอย่างสูหนางเอกโผมันน่าสงสารโดนนางอิจฉาแกล้งใจเราสงสารนะเรารู้ทันเราก็รูว่าเนี่ยตอนนี้ใจมันหดหูสงสารนางเอก ตอนที่หนึ่งก็โดนแกล้งตอนที่สองสามสี่โดนแกล้งตลอดเราสงสารตลอดเลยพอถึงตอนที่ห้าสิบเนี่ยเราเปลี่ยนจากสงสารเป็นโมโหแล้วอีนี่โง่าถาวร น, นะโดยเขาแกล้งตลอดชาติใจเปลี่ยนจากสงสารเป็นโมโหเนี่ยเรารู้ทันเพรามื่อคอยรู้ทันความรู้สึกไว้แล้วก็ไปดูละครต่อนะแต่ดูแล้วคอยรู้ทันความรู้สึกตัวเองไว้แล้วต่อไปจะเลิกไปเองอะไม่เห็นมีสาระเลยยูยูไปบอกอย่าไปดูเนี่ยไม่ได้นะ ดูไปดูไปแล้วเรียนรู้ความจริงของจิตใจไปนะส่วนการด่าคนในบ้านโกรธคนในบ้านอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาตนะิลูกหลานดูไว้นะต่อไปจะผู้หญิงอ่ะผู้ชายไทยอ่ะนั้นถูกสอนมาให้เลวนะไม่มีความรับผิดชอบหรอกผู้หญิงเนี่ยงานหนักมากเลยมันเกิดจากสมัยโบราณผู้ชายต้องไปรบนานนานนั้นได้กลับมาบ้าน ผู้ชายออกไปรบนะวางทีก็าตายบ้างอะไรบ้างกลับมาบ้านเนี่ยนะไม่อยากทํางานอยากพักผ่อนผู้หญิงก็ต้องทํางานทุกอย่างเลยผู้หญิงทําไร่ทํานานะหาสเสบียงส่งให้สามีไปรบผู้หญิงทํางานทั้งนั้นเลยนั้นผู้หญิงไทยเนี่ยทํางานเก่งผู้ชายไทยไม่ค่อยรับผิดชอบอะไรอันนี้เป็นธรรมชาตินะตั้งแต่บรรพบุรุษเราถึงต่อไปเราก็เหมือนกันนะอย่างอยู่ในบ้านเนี่ยผู้หญิงเนี่ยพาระเยอะ ออกมาทํางานนอกบ้านผู้หญิงก็ต้องทำเดี๋ยวเนี้ยกลับบ้านไม่จะเกี่ยงให้ผู้หญิงทํางานคนเดียวอีกนะยกเว้นบางบ้านนะผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้าแต่ผู้หญิงเป็นงวงช้างอันนั้นพิเศษเลยสั่งสั่งในบ้านได้นี่ผู้หญิงงานหนักเครียดเธอก็ต้องระบายความเครียดด้วยการบน่นแล้วเริ่มทีแรกก็บ่นนิดๆหน่นนอยๆนะพอบ่นมาหลายสิบปีเชี่ยวชาญในการบน่นนะ จะบ่นทั้งวันเลยคราวนี้บ่นจนไม่รู้จะบ่นอะไรก็บ่นตัวเองอีกนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเจอเจอผู้หญิงขี้บน่นผู้หญิงขี้โมโหอะไรเงี้ยเป็นเรื่องธรรมดานะถ้าเข้าใจเราไม่มีปัญหาหรอกพยายามเข้าใจแม่หน่อยนะหลวงพ่อถามบางดีกว่าลูกสาวเห็นไหมกายกับใจเนี่ยคนละอ่านกันค่ะวันนี้ก็เห็นแล้วคะ่ะพาวนาถูกแล้วนะ กายใจมันแจกออกจากกันได้ต่อไปเวลาร่างกายแก่ไม่เกี่ยวกับเรานะร่างกายเจ็บร่างกายตายไม่เกี่ยวกับเราเห็นไหมความรู้สึกเป็นของที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปพยายามไปสอนแม่หน่อยนะให้แม่ฝึกอันนี้ให้แม่เข้าใจที่หลวงพ่อสอนของคุณก็เข้าใจอยู่แล้วล่ะเห็นหน้าก็รู้แล้วเพหน้าไม่เหมือนคนปกตินะเวลาคนซึ่งภาวนาเป็นนะหน้าตาเปลี่ยน ถ้าตามจะสว่างใสกระจ่างออกมาจากข้างในคนพอนาไม่เป็นหน้ามืดมืดมัวมัวดูไม่ได้ที่หลวงพ่อบอกหน้าเหมือนป้าตีนหัดนะเราจะได้ยกระดับยังเห็นไหมว่าความทุกข์มันน้อยลงความทุกข์มันสั้นลงนะในฝึกเข้า กราบนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะเป็นครั้งแรกที่โยมได้มามาพบได้มากราบหลวงพ่อจริงๆอะค่ ะ, คะเคยฟังจากซีดีเท่านั้นอะนะคะหลวงพ่อ ถ, ถามหนะ่อยขี้โมโหไหมมีมีบ้าง ม, มีมีเยอะเหมือนกันค่ะตอนนี้ค่ะก็เข้าใจวัตถุประสงค์ของพุทธศาสนานะคะ hmm. ที่ว่าจะต้องถอดถอนความทุกข์ออกจากในใจนะคะแต่โยมอยากจะถามว่าทำยังไงเราถึงจะมีกำลังใจ เมื่อเมื่อออกไปสู่ชีวิตประจําวันหรือการงานอะนะคะในในแต่ในใ น, ในช่วงที่เราออกไปจากตรงเนี้ยเพราะว่ามันไม่แน่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตค่ะอยากจะให้หลวงพ่ อ, อช่วยอยูการฝึกของเราะนะหลวงพ่อเนี่ยฝึกปฏิบัติตั้งแต่เป็นครวา่าตปฏิบัติเวลาไปหาครูบาอาจารย์เนะี่ไปถามท่านท่านตอบอะไรเนะี่ยทีพวกพระมาฟังเนะี่ยพระถึงขนาดถามเลยนะว่าโยมทําได้ไง ถ้าฝึกตั้งสิบปี20สิบปีทำไม่ได้นโยมฝึกปีสองปีทำไมทาเป็นมันอยู่ที่การฝึกเอาอยัางตื่นนอนมารู้สึกใจของเราเป็นยังไงเรารู้สึกร่างกายเราเป็นไงเรารู้สึกจะกินข้าวก็รู้ทันความรู้สึกจะอาบน้ำก็ทันความรู้สึกนะจะขับถ่ายต้องทันความรู้สึกเวลาท้องผูกกลุ้มใจหรือสบายใจใครเคยท้องผูกนีไหม พอเวลาท้องผูกมากๆแล้วถ่ายก้อนแรกได้จะมีความสุขมากถ้าถ่ายไปเรื่อยๆไม่ยอมเลิกนะจะเปลี่ยนจากสุขเป็นทุกข์น ะ, ะเห็นไหมทุกสิ่งทุกอย่างนะในชีวิตเรากระทั่งการจะอื่อจะฉี่นะยังภาวนาได้เลยถ้าเราทำได้ขนาดนี้นะยังขึ้นรถไปรถติดกลุ่มใจรู้ว่าุ่มใจนะเจอมนุษย์ป้าแย่งที่นั่งเราเลยนี่นะ เจอรถป้าแยงที่นั่งเราหรือยั่วขึ้นมาเรเราก็รู้ทันฝึกเอานะมันอยู่ที่การฝึกขยันดูเท่าไหร่ก็ยิ่งเก่งเร็วเท่านั้นแหละของโยมไปดูตัวนี้นะให้เป็นพิเศษใจที่ไม่ชอบใจใจที่งุนหงิด่ะไปดูไว้เด็กๆรู้สึกไหมว่าตอนเนี้ยตอนนี้สภาวะขณะนี้ในใจเราขณะเนี้เรียกว่าใจลอยใจลอยก็คือเรามีร่างกายเราก็ลืม เรามีความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วในใจเราเราก็ไม่รู้ะอย่างเมื่อสักครู่เนี้คือภาวะที่หลวงพ่อบอกว่าใจลอยไปเวลาที่เราใจลอยเรามีร่างกายเราลืมเรามีความรู้สึกในใจเราก็ลืมงั้นเราจะไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้เลยงั้นพยายามรู้สึกตัวนะอย่าใจลอยนานให้ใจลอยสั้นๆใจลอยนานาน่าเกลียดเคยเห็นคนเดินโทรศัพท์มไหมสาวๆนะ โทรศัพท์ไปยิ้มไปยิ้มมานะั่พอดเพิ่งกินข้าวมาแค่ขี้ฝันไปด้วยอะไรเนะีนะเพราะอะไรทําไมไปทําท่านาคเลียดขนาด น, นั้นได้มันลืมลืมตัวเองนะงั้นพยายามรู้สึกตัวเองบ่อยๆนะร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกใจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกแล้วเราจะสวยทั้งข้างนอกข้างในนะอ้าวว่ามานมาสการครับหลวงพ่อคือว่าฟังซีดีหลวงพ่อมาได้ประมาณปีกว่าแล้วก็ อยากจะปฏิบัต me, ิธรรมก็พอตอนเย็นก็จะไปทำวัดเย็นแล้วก็สวดมนต์นั่งสมาธิแต่รู้สึกว่ามันมันได้ความสงบแต่ว่ามันไม่เจริญปัญญาคนละเรื่องกันนะการทำความสงบนะก็คือการที่เราคอนเซนเทรตลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเรามุ่งไปสวดมนต์ ไม่สนใจสิ่งอื่นใจก็สงบนั่งสมาธิให้ใจจับอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทโธอยู่กับท้องพองยุบใจก็สงบการจะเจริญปัญญาเนี่ยคือการเรียนรู้ความจริงของกายของใ จ, จเจริญปัญญาที่ง่ายที่สุดเลยอยู่ข้างนอกนี่แหละไม่ต้องไปนั่งสมาธิแต่นั่งสมาธินั่งไปเพื่อให้จิตมีกําลังควรนั่งนะแต่ออกจากสมาธิแล้วเนี่ยตารเรามองเห็นความรู้สึกเปลี่ยนให้รู้ทัน หูได้ยินเสียงความรู้สึกเปลี่ยนให้รู้ทันใจคิดความรู้สึกก็เปลี่ยนให้รู้ทันนะแล้วจึงจะเจริญปัญญาได้มันก็เลยจะนิ่งเฉยสว่างว่างสบายอย่างนั้นกี่ปีกี่ชาติก็อยู่แค่นั้นแหละแล้วเวลาไปนั่งสมาธิกับเวลาทํางานจริ ง, รงๆในชีวิตประจาําวันมันจะมีความเครียดเวลาทํางานใจมันจ็บ โฟกัสกับงานที่ทำมันจะโฟกัสแล้วมันจะลืมสิ่งรอบตัวหมดเลยคนที่ติดสมถะนะติดสมถะเนี่ยจะไม่อยากยุ่งกับโลกข้างนอกเลยโลกนี้เป็นฟืนเป็นไฟไปหมดเลยงานการไม่อยากทำไม่อยากคุยกับใครไม่อยากยุ่งกับใครอยากอยู่ในถ้าคนเดียวอนะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นอาการของคนติดสมถะนะถ้าเราไม่ติดสมถะนะตอนทำสมาธิใจสงบก็ ร, รู้ว่าสงบไป ออกจากสมาธิมาใจอย่างอะรอายอะวรถึงความสุขความสงบของสมาธิให้รู้ว่ามันอะรอายอะวรใจเราจะกลับมาสู่โลกข้างนอกนี้แล้วเรามาเจริญปัญญาอยู่ตรงนี้ถ้าประเภทภาวนาแล้วก็หนีโลกเนี่ยภาวนาผิดแน่นอนภาวนาแล้วก็ต้องอยู่กับโลกเรียนรู้โลกตามความเป็นจริงถ้าภาวนาแล้วหนีโลกไม่ใช่พุทธศาสนาหรอกมันรัตที่ลือศีแล้ว ขอบคุณครับเสร็จแล้วใช่หมเดี๋ยวหลวงพ่อบอกอะไรนิดหนึ่งปกติหลวงพ่อไปเทศนะหลวงพ่อประเมินผลด้วยนะไม่ใช่พวกเราฟังแล้วประเมินผลหลวงพ่อข้างเดียวอะที่นี่เป็นมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาน่ารักนะน่ารักตรงไหนหรู้ไหมปกติหลวงพ่อจะไม่รับไปสอนนักศึกษาหรอกเพราะว่ากําลังหลงโลกอย่างรุนแรงนะฟังธรรมะไม่รู้เรื่องหรอก นักศึกษาที่นี่นะยืนจัดเงินป่านนี้ก็ยังนั่งตาแป๊วนะเราฟังไม่มีนะที่อุบมาหายัยอื่นไม่เคยเห็นนะนะถือว่ามีพื้นฐานที่น่ารักเชียวละนะมีพื้นฐานที่พร้อมที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆของชีวิตได้นะถ้าประเภทกูวันๆนะก็จะเล่นไลน์เล่นเฟซเล่นอะไรยุ่งอยู่อย่างนั้นนะพัฒนายากนะงั้นการที่เรา ยังมีสมาธิมีความตั้งอกตั้งใจในการฟังเ ป, เป็นเป็นเบื้องต้นที่ดีนะต่อไปหลวงพ่ออยากให้เราต่อยอดคุณงามความดีอันนี้ต่อไปไปฟังซีดีนะซีดีหลวงพ่อนะั้นไม่ใช่ฟังซีดีอื่นนะเด็กบอกให้ฟังซีดีฟังเพลงในห้องเรียนเลยนะไปฟังแล้วจะพบว่าชีวิตเราจะเปลี่ยนเหมือนพี่คนนั้นเขาก็บอกนะมเด็กคนนี้เขาก็เปลี่ยนแนละ้วเขาไม่เหมือนเดิมหรอกชีวิตมันจะดีขึ้นนะ เรื่องอะไรเราจะต้องปล่อยชีวิตเลื่อนไหลไปตามยถากรรมคนอื่นเขามาเรียนเราก็เรียนคนอื่นเขาแต่งงานเราก็แต่งคนอื่นเขาทำงานเราก็ทำสุดท้ายคนอื่นเขาตายเราก็ตายชีวิตเรียนแบบคนอื่นตลอดเลยหาสาระไม่ได้เลยนพราะฉนั้นอย่าไปปล่อยชีวิตทิ้งเปล่าๆไปฟังซีดีหลวงพ่อนะแล้วชีวิตจะเปลี่ยนเอาลัพอสมควรนะหลวงพ่อไม่ต้องให้พอแล้วนะ